นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูทัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะจิตตังดันตังสุขาวังติติ โอกาสต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสแห่งการฟังธรรมก่อนอื่นก็อยากจะขอแจ้งข่าวอันเป็นมงคลให้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะพวกเราผู้ศิษยานุศิษย์ของสำนักวัดป่าทั่วไปซึ่งในปี2563ปีนี้ เราท่านอาจจะได้ยินข่าวสารมาแล้วว่าองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่ององค์หลวงปู่มั่นซึ่งเป็นบุรพาจารย์ของชาววัดป่าเราให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกขึ้นมาในปีนี้จึงเป็นที่น่าปลื้มปิติหน้าภูมิ อ, อกภูมิใจแก่พวกเราผู้บินสิทธานุสิ์อย่างยิ่งเพราะวัดป่าที่เกิดขึ้นมาทั่วทุกขนทุกแข่ง ดังที่พวกเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั้นก็เกิดขึ้นมาจากองค์หลวงปู่มั่นนั่นเองเพราะแต่เก่าก่อนก่อนที่องค์หลวงปู่มั่นท่านจะอุบัติคือบวชขึ้นมาในพระาศาสนานี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ า, าศาสนาพุทธในประเทศไทยเรานี่ย่อหย่อนมากหรือเราอาจจะไปถามปู่ย่าตายายของพวกเราดูก็ได้ที่ท่าน ทันเหตุการณ์ในยุคในสมัยนั้นว่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชขึ้นมาในพระศาสนานี้แล้วนั้นแทบไม่รู้จกักไม่รู้เรื่องของพระธรรมของวินัยไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติอะไรเลยบวชเข้ามาก็สักแต่ว่าบวชเข้ามาเป็นพิธีพิธีให้ได้ปลงผมปลงดุลและขผมผ้าเหลืองก็ว่าได้บวชแล้วแต่ชีวิตของนักบวชเข้ามาเป็นอย่างไรก็ไม่ไม่ไม่สนใจไม่ใส่ใจ มีแต่มากินกินนอนนอนเล่นเล่นเที่ยวเที่ยวไปไม่ว่ามาเขขึ้นมาบวชขึ้นมาแล้วขี้รถวัดเยี่ยวรถวัดปฏิบัติเลอะเทอะไม่มีการอายผีสางเทวดาผู้คนเขาเลยเป็นมาอย่างนั้นโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วทั่วทุกคนทุกแห่งแต่หลังจากที่องค์หลวงปู่มั่น ท่านได้บวชขึ้นมาในภาษาสนานีแล้วท่านได้ขนขวายศึกษาในาพัปริยติธรรมโดยครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ในด้านปริยติธรรมแก่องค์ท่านมากที่สุดก็คือท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอูปมาาจารย์จันสลิจันโทซึ่งเป็นเจ้าวาดของเจ้าวาดที่วัดบรมนีวาดหลังจากที่องค์หลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษา ในพัพปริยติธรรมจะมีความรอบรู้ฉเฉลียวฉลาดในพัพปิยติธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านก็ได้มาพิจารณาในในความรู้ความเห็นที่ท่านได้ศึกษามานั้นท่านก็ลงใจว่าถ้าหากมีเพียงแค่การศึกษามีแต่เพียงแค่การจดจําไว้เท่านั้นจะไม่มีประโยชน์แก่สรรเสาระอะไรมากมายไก่กองเลย แต่เมื่อศึกษาที่จะได้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นก็เมื่อศึกษามีความรู้ความเฉลียวฉลาดขึ้นมาแล้วก็ควรที่จะเอาความรู้ความฉลาดนั้นออกมาปฏิบัติแล้วการปฏิบัติเนี่ยที่สถานที่ใดจะเป็นชัยภูมิเหมาะที่สุดต่อการปฏิบัติองค์หลวงอูมั่นท่นนานกอดเนาะลงใจอีกว่าป่านั้นคือสถานที่หรือเป็นชัยภูมิที่เหมาะอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติ เพราะนั้นท่านยึงยกย่องว่าป่านั้นคือมหาวิัยธรรมะเมื่อท่านแน่ใจอย่างนั้นแล้วท่านก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าสู่เขาป่าเพื่อปฏิบัติทุ่มเทในการอบรมจิตอบรมใจขององค์ท่านเมื่อเวลาท่านมีความสงสัยในข้ออัดข้อทำอะไรท่านก็จะเข้ามาศึกษาเข้ามาถามสอบถามกับท่านเจ้คุณอุบาลีคุณดูปมาจารย์จันสริจันโท เมื่อท่านหายสงสัยในในข้ออัดข้อทำทั้งหลายเหล่านั้นคันก็มุ่งเข้าป่าอยู่ตามบ้านเชาวเขาอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่ตามหุบเหวอยู่ตามถ้าตามผาท่านไม่ได้คํานึงถึงความทุกข์ความยากความลําบากแสนเข็นอะไรทุกสิ่งรูปการยิ่งกว่าความฉลาดความรอบรู้ที่จะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติขององค์ท่านหลังจากที่องค์หลวงปู่มั่นท่านได้มุ่งหน้าในการ ประบพติปบัิขัดเก่จิตใจของท่านเองอยู่ตามป่าตามเขาลำเนาภัยต่างๆทั้งหลายจนกังทั่งท่านมีความฉลาดหายสงสัยในข้ออัดข้อธรมเรียกว่าจิตของท่านได้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงแล้วท่านจึงเปิดตัวรับศิ ญ, ญานุสิตสอนผู้คนขึ้นมาเมื่อท่านเปิด ตัวองค์ท่านแล้วนี่ผู้ที่มุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติก็ได้ยินข่าวสารได้ยินชื่อเสียงถององค์หลวงปู่มั่นต่างก็หลั่งไหลเข้าไปหาท่านชั่วชีวิตขององค์หลวงปู่มั่นท่านไม่เคยอยู่ในสถานที่สะดวกสบายเพราะฉะนั้นจึงยกย่องได้ว่าองค์หลวงปู่น้าแม่มั่นนั้นท่านเป็นครูของครูจริงๆความว่าเป็นครูของครูจริงๆนั้นเป็นอย่างไร คำว่าครูของครูจริงๆนั้นคือท่านไม่เคยเห็นแก่ความสะดวกสบายความสนุกสนานไม่เคยเห็นแก่องค์ท่านเลยยิ่งกว่าเห็นแก่ยิ่งกว่าจิตใจที่จะป้อนธรรมะเข้าสู่จิตใจของสิญานุสิทธิ์เพราะฉะนั้นในสถานที่องค์หลวงปู่มั่นอยู่นั้นท่านอยู่แต่ในที่ทุรการดานทุกยากลําบากแสนข็ดจนวาระหลัง บั้นปลายชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านกลับมาจากเชียงใหม่กลับมาจากหมู่บ้านชาวเขาเข้ากลับมาสู่ภาคอีสานเราก็เมื่อท่านอยู่ในวัย74ปีแล้วสถานที่ครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านก็คือหนองผือนาในวัดตาหนองผือนาในในยุคสมัยที่องค์หลวงปู่ม่านอยู่ ก็คือเมื่อ 70-80 ปีก่อนนั้นครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่กับท่านนั้นเคยเล่าให้ฟังว่ามันทุกยากแสนเขน็มมันลำบากทุรกันดานการจะไปจะมาเนี่ยมันมีความยากความลาบากเป็นป่าดงดิบป่าเสือป่าช้างผู้คนก็ทุกยากอดจนคือชาวป่าชาวเขานั่นเอง ทำไมถึงท่านไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นทั้งๆที่ศิญาณุสิษของท่านมีมากมายไก่กองที่เป็นเศรษฐีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองป่าถนาอยากจะให้ท่านไปอยู่ใกล้ๆเพื่อเขาจะได้อุ ป, าปถากวัฏฐาได้ทําบุญกับองค์ท่านบ้างไม่ว่าจะกลางเมืองเชียงใหม่กลางเมืองกรุงเทพกลางเมืองโค ร, ราชกลางเมืองขอนแก่นกลางเมืองอุดรทั่วทุกแห่งเมืองใหญ่ๆซึองมีลูกศิษย์ลูกหาขององค์ท่านทั้งนั้น แต่ท่านก็ไม่ไปอยู่ท่านไปอยู่ในสถานที่ธุระการดานยากลาบากแสนเข็ญทำไมท่านจึงอยู่อย่างนั้นไอ้การอยู่อย่างนั้นก็เพราะท่านเห็นไม่เห็นแก่องค์ท่านเลยยิ่งกว่าหัวใจของผู้ที่จะเป็นสิญาณุสีขององท่านเพราะการไปอยู่ในสถานที่ธุระการดานยากลาบากมันเหมือนกับเป็นข้อสอบเอ็นทางคัดเลือกคนเข้าไปสู่มหาวิาลย คัดเลือกคนที่เข้าไปประพฤติปฏิบัติถ้าคนหล่อหล่แหละแหล่โรรเลเล่ไม่เอาจริงไม่เอาจังไม่สละเป็นสละตายไม่สามารถเข้าไปได้อย่างแน่นอนเพราะคนประเภทนั้นเนี่ยจะกลัวแต่ความยากความลาบากกลัวแต่ความอดอยากขัดแคลนมีแต่บุ่งหน้าอยากจะสบายสบายเพราะฉะนั้นคนประเภทนั้นไม่สามารถเข้าไปถึงได้อย่างแน่นอน แต่ประเภทที่เข้าไปถึงองค์หลวงปู่มั่นได้นั้นล้วนแต่ประเภทสละเป็นสละตายยอมเป็นยอมตายไม่ได้คำนึงถึงความยากความลาบากความทุร ก, การดานอดอยากขัดแคลนยิ่งกว่าธรรมะที่จะได้จากองค์หลวงปู่มั่นเพราะนั้นเอบุคคลที่เข้าไปถึงองค์ท่านนั้นจึงเสมอเหมือนได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีเหมือนกับได้ประเภทหัวกะิมา ไอ้ประเภทหัวกะทิหัวกะทินั่นไปทําขนมมาทำอะไรตั อ, อะไรมันก็อร่อยทั้งนั้นเนี่ส่วนไอ้หางกะทินั่นเน่ยเทเข้าป่าไปหมดแล้วเข้าไปไม่ถึงเพราะฉนั้นเราจึงได้ยิงขึ้นชื่อลือนามในผู้ทรงอัดทรงทำทั่วไปมากมายไก่กองล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวง ป, ปู่มั่นเพราะฉะนั้นหลังจากองค์หลวง ป, ปู่มั่นได้ปลูกฝัง สร้างสียานุสิทธิ์ขึ้นมามากมายไก่กองสียานุสิทธิ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้แผ่ขยายในข้อวัดข้อปฏิบัติกระจายออกไปกระจายออกไปทั่วทุกขนทุกแห่งจึงก่อเกิดเป็นวัดป่าเราทั่วทุกขนทุกแห่งพวกเราท่านทั้งหลายแม้นเราจะไม่เคยสัมผัสกับองค์ลุงปู่ ม, มั่นเองแต่เราก็ได้รับประโยชน์จากวัดบ่าจากครูบาจารย์ สายวัดตาซึ่งสืบสายมาจากองค์หลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่มั่นนั้นแม้เราจะไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัส ด, ด้วยตัวของเราเองก็ตามแต่เราก็ยกขึ้นมาเป็นบุรพาจารย์เป็นต้นวงของพวกเราเองได้และในในวันที่20สิบกรกาคม ซึ่งเป็นวันเกิดขององค์หลวงปู่มั่นครบรอบ150ปีเรียกว่าชาตการ150ปีขององค์หลวงปู่มั่นทางยูเนสโกเขาก็ได้เชิญชวนคนทั่วโลกไม่ใช่เพียงเฉพาะประเทศไทยแต่ประกาศเชิญชวนคนทั่วโลกในวันที่20มกราคมเวลา 18.15 นเชิญชวนคนทั่วโลกมานั่งสมาธิ ทำสมาธิกันอย่างน้อยสินาที1 8 1แปดนาถึง 18.30 นคนทั่วโลกเขาจะนั่งสมาธิกันอบรมจิตอบรมใจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากข่าวสารอันนี้ให้พวกเราทุกท่านทุกคนให้ทราบข่าวสารและจะเป็นมงคลต่อพวกเราอย่างยิ่งถ้าพวกเราในสถานที่นี้ทุกท่านทุกคน น้อมนำไปปฏิบัติในวันที่20สบมกราคมเวลา 18.15 นถึง 18.30 นหรือจะปฏิบัติกันไปเรื่อยไปก็ยังเป็นมงคลใหญ่ก็ขอฝากพวกเราทุกท่านทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่งของบริษัทวลีนาเราแห่งนี้ เพราะเป็นวันทำบุญประจำปีของบริษัทเวลรีน่าแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้พวกเราทุกท่านทุกคนนับตั้งแต่สมาชิกในบริษัทนี้ตลอดจนเพื่อนบ้านมิตรสหายญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนได้เข้ามาร่วมบุญกันในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่พวกเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนับตั้งแต่การสวดมนต์ไหว้พระหรือการฟังอัดฟังธรรมการปรับพฤติบัติการได้ใส่บาตรการได้ทําบุญต่างๆทั้งหลายสิ่งนี้นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะชีวิตของพวกเราท่าน ท, ทั้งหลายนั้นการเวลาที่ผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีนับตั้งแต่เราอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ว่าเราท่านทั้งหลายล้วนแต่ให้เวลาหมดไปกับการดิ้นรนท้าเยอะอทียังขวนขวายเสวยงหาในวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายเพื่อมาบมรุ่มบมเลอมาหล่อเลี้ยงปากท้องร่างกายของเราซะเป็นส่วนมากแต่ว่าชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นเราไม่ได้มีแต่ปากท้องร่างกายเราเท่านั้นแต่เรามีจิตใจมาด้วย แต่โดยส่วนมากแล้วพวกเรามากักจะมองข้ามจิตใจของตนเองไปเสียเราให้ความสาคัญแต่ในร่างกายของเราทั้งๆพวกเราก็ปรารถนาความสุขเรามท่านทั้งหลายไม่มีใครท่านใดเลยที่ปรารถนาความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราพากันคาดหมายพากันขวนขวายเสแวงหาก็ด้วยเข้าใจว่าถ้าเรามีอย่างนั้นได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้ว เราจะมีความสุขนั่นเองแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราหามานั้นมันมาหล่อเลี้ยงบำบรุงบำรเลอร่างกายของเราเองแล้วเราจะให้ได้ความสุขได้อย่างไรก็เมื่อร่างกายของเรานั้นก็คือกองทุกข์นั่นเองไม่มีสิ่งใดที่จะหนักยิ่งกว่าเดือนกายของเราเอีกแล้ว พระบุรีเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าพาลาหะเวเป็นจักขันธาขันห้านี้เป็นพาละหนักที่สุดนับตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาเราต้องเยียวยาบริหารมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วเชื่ว่าเราหิวเราทนต่อความหิวกะหายไม่ได้เราก็ต้องรับมาเป็นพาละไปกินเพื่อบรรเทาความหิวกะหายนั้นให้มันอยู่ได้ แต่แม้เราจะไปกินมันมันก็เพียงแค่บรรเทาไปชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็สี่ห้าชั่วโมงมันก็บีบขั้นเราด้วยความหิวกระหายอีกผลสุดทสุดเราก็ต้องแบกภาระไปมาเปา็นภาระในการกินมาอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วยังจะตลอดต่อไปอีกด้วยนี่มันหนักไหนแม้ความหนาวความร้อนอีกเช่นกันเราก็ต้องบริหารมันเยียวยามันแม้การยืนเดินนั่งนอนเราก็ต้องเยียวยาบริหารมัน เพราทนต่อการยืนไม่ได้ทนต่อการนั่งไม่ได้ทนต่อการเดินไม่ได้นอนไม่ได้เราก็ต้องบริหารมันนี่แหละร่างกายของเราจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่อันหนักหนาสาหัสที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าการแบกภาระบุคคลที่แบกภาระนี้แหละจึงเป็นทุกข์ในโลกแล้วการบำรงบำเลอดูแลท่าขันร่างกายของเราเองนั่น แม้เราจะบำลงบำเลมันอย่างปาณีอย่าง ด, ดีขนาดไหนก็ตามมันไม่มีโอกาสเลยที่จะเจริญขึ้นไปแต่ว่ามันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเพียงแค่เสื่อมช้าหน่อยแต่ถึงที่สุดคือความเสื่อมสิ้นไปนี่แหละเป็นธรรมดาของเรือนกายของร่างกายของพวกเราทุกท่านทุกคนไม่เว้นแมก้กระทั่งพระพุทธเจ้า ผูเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ก็มีร่างกายเรือนกายเหมือนกับพวกเราไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่พระบุริเจ้านั้นท่านไม่ได้หลงงมงายหรือติดยึดแต่เพียงเรือนกายของพระองค์ท่านเรือนกายของพระองค์ท่านนั่นเมื่อพระองค์อยู่กับเรือนกายของพระองค์พระองค์ก็ทำหน้าที่ในการบริหารมันไปตามหน้าที่นั่นเองพอมันหิวพระองค์ก็ไปเสวย ไปขบฉันเพื่อบันเทาให้มันอยู่ได้แต่พระ อ, องค์ไม่ได้นินดรมไม่ได้ไปทุกข์กับการจะมาขบฉันกือการความเป็นอยู่อะไรตัวอะไรต่างๆแต่สิ่งที่พระ อ, องค์ลงให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือจิตของพระ อ, องค์เองเมื่อพระ อ, องค์ได้เห็นความให้ความสำคัญในด้านจิตใจนี้ พระ อ, องค์จึงน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจในการอบรมจิตอบรมใจของพระ อ, องค์เองเพราะเห็นชัดเจนเลยว่าทุกข์นั้นมันบีบคั้นมันครอบงำอยู่ที่จิตและตัวจิตนี้แหละตัวเวียนไหวาตายเกิดสร้างพบน้อยพบใหญ่บีบคั้นมาจนนับพบนับชาติไม่ได้เมื่อพระ อ, องค์ได้ทรงให้เห็นความสาคัญของจิตอย่างนี้แล้ว ว่าจิตนี้หละเป็นตัวเวียนไหวตายเกิดส่วนเรือนกายนี้มันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นวัตถุอันหนึ่งกายจิตนี้เป็นเพียงคู่มาอาศัยเขาอยู่ช่วระยะอย่างเกฑงก็ไม่เกินร้อยปีจากนั้นก็คืนร่างกายนี้สูตรเจ้าของเดิมเขาคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นเองเมื่อผู้ที่เจ้าเต้ทรงเห็นอย่างนี้แล้วพระองค์จึงให้ความสาคัญในการ อบรมจิตอบรมใจของพระ อ, องค์เองแต่การอบรมจิตอบรมใจของพระ อ, องค์เองนั้นพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ไปขนขวายเครื่องไม้เครื่อเบอมาจากนอกโลกที่ไหนแต่พระ อ, องค์ก็เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาแต่คนทั่วโลกเกิดมานั้นไม่ได้เห็นคุณค่าของเครื่องเืออันนี้เลยสิ่งนั้นก็คือลมหายใจเข้าออกดังเช่น สักคู่ที่หลวงพ่อทองอินท่านแสดงธรรมไปนั้นท่านให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหะาศาสดาของพวกเราเป็นพระองค์แรกที่เห็นคุณค่าของลมหายใจเข้าออกแล้วเอาลมหายใจเข้าออกนี่มาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจของพระองค์เองแต่คนทั่วไปนั้นเกิดมาก็รวนแต่มีลมหายใจเข้าออกด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าของลมหายใจเข้าออกเลยก็ปล่อยลมหายใจเข้าออกเป็นเพียงเครื่องรอเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนวันใดวันหนึ่งที่ไม่สามารถหายใจเข้าแล้วหรือไม่สามารถหายใจออกแล้วก็คืนร่างกายไปสู่สภาพธรรมชาติเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟนั่นเองแต่พระบุริเจ้าของพระองคอ่ะแต่พระบุริเจา้าผู้เป็นศาสดา ข, ของบัวรอท่านทั้งหลาย ก่อนที่พระองค์จะตัดสรู้ขึ้นมาพระองค์ได้ยกเอาอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนี่แหละมาเป็นเครื่องมือคือกำหนดจิตลงไปให้รู้สือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อมีสติกำกับจิตไว้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นหายใจเข้าก็จะรู้อยู่ว่าลมหายใจเข้า หายใจออกก็รู้อยู่ว่าลมหายใจออกนี่แหละคือลักษณะที่มีสติกำกับจิตแต่พวกเราลองดูสิพวกเราวันทั้งวันเราก็หายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเลยนั่นก็แสดงลักษณะว่าเราไม่มีสติกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นเองเพราะนั้นแม้หายใจเข้าหายใจออกอยู่เราก็ไม่สามารถรับทราบได้ไม่สามารถรู้ได้ ก็เพราะจิตมันไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเล่ร่อนไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเอาที่พวกเราก็มีพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ข, ของพวกเราเอ ง, เ ร, เ, องเราก็นําเดินนี้นาเอาแนวทางหรือปฏิปทาของศาสดา ข, ของพวกเรา มาใช้ในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพื่อให้เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงด้วยการยกเอาอนาปานสติคือยกเอาลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์ของจิตด้วยความมีสติคือมีความระบัดระวังกำกับจิตให้แนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ามันสัมผัสในจุดไหนในสัลผานร่างกายของเราที่ ทำให้เรามีมีความรู้สึกว่าลมมันกระทบอยู่ในจุดนี้ลมหายใจออกม่กระทบสัมผัสอยู่จุดไหนในสัมพัน์ร่างกายของเราที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าลมหายใจออกเช่นลมหายใจเข้ากระทบผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกให้เรามีความรู้สึกว่าลมมันเข้าลมออผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกทำให้เรามีความรู้สึกถึงลมออก เราก็จ้องลงไปในจุดกระทบสัมผัสของลมหายใจเข้าหายใจออกที่ความมีสติคือระมัดระวังกำกับจิตให้อยู่กับปลายจมูกนั่นเองลมหายใจเข้าก็ผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจออกก็ผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกนี่คือการกำหนดอนาปานสติมาเป็นเครื่องมืออบรมจิตอบรมใจหรือเรียกว่าธรรมสมาธิแต่องค์หลวงปู่มั่นผู้เป็นบูรพาจารย์ ของพวกเราชาววัดป่าทั้งหลายท่านมีกุสศลบายอันหนึ่งเพื่อให้มีความรู้สึกชัดเจนแน่นหนามั่นคงในลมหายใจเข้าออกยิ่งขึ้นไปอีกเพราะองค์ท่านบอกว่าองค์ท่านกําหนดในลมหายใจเข้าออกนี่แหละมันสบายมันเย็นมันละเอียดเข้าไปแต่เพราะความเย็นความสบายนี่แหละมันเลยทำให้จิต เผลอหลุดออกไปจากลมหายใจเข้าออกไดงง่ายองคหลวงปูม่ม่านท่านก็เลยมีกุศลบายอันหนึ่งมาสำทับกากับไปกับลมหายใจเข้าออกด้วยนั่นก็คือคำบริกรรมยกเอาคาบริกรรมว่าพุทโธนี้มากำกับสำทับไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยหายใจเข้าให้บริกรรมไปพร้อมว่าพุทหายใจออกให้บริกรรมไปพร้อมว่าโธ คำว่าพุทธโธนั้นยาวเท่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลมมันสัมผัสการผ่านกระทบอยู่จุดไหนให้จ้องลมไปในจุดนั้นอย่าเคลื่อนย้ายอย่าเปลี่ยนแปลงกําหนดลงไปในจุดนั้นแหละถ้ามันเผลอหลุดออกไปเพราะสติมันไม่แน่งพอเรามีสติระลึกได้ให้เรามาเริ่มต้นงานใหม่ โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงอารมณ์เรื่องราวจากความนึกคิดปรุงแต่งจะไปคิดดีหรือคิดชั่วคิดกุศลหรืออกุศลก็ตามเดือดปล่อยวางให้หมดสิ้นอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความหมายในทางยินดีหรือยินไายทั้งนั้นบอกตัวเองว่าทุกสิ่งที่ปัจจัยล้วนแต่มีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับก็เมื่อความคิดมันเกิดขึ้นเองได้มันก็ดังดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องตั้งไปตั้งความอยากหรือไม่อยาก ในความคิดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเราสอนใจเราเองได้อย่างนี้แล้วความนึกคิดปูแต่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่สามารถบังคับงาจิตใจของเราให้ว้าวุ่นไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็สามารถกลับมาสู่จุดสัมผัสของลมได้ เมื่อมันเผลอไปเขาใดเราก็มาเริ่มต้นใหม่เผลอไปเขาใดเราเริ่มต้นใหม่กําหนดลงไปอย่างนี้เปรียบประดุดเหมือนเด็กน้อยที่มันหัดยืนพอมันหัดยืนขึ้นมามันล้มแปะลงไปมันก็ไม่สนใจในท่าล้มมันลุกขึ้นยืนใหม่ล้มแปะลงไปจนร้องหอบร้องให้หัวเข่าแตกมันก็ไม่สนใจในท่าล้มมันลุกขึ้นใหม่ลุกขึ้นใหม่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ยืนได้แข็งไม่ล้มอีกต่อไป การภาวนาทำฟาร์มสงบทําสมาธิของบวตรเราก็เหมือนกันกําหนดลงไปที่สัมผัสของลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทถ้ามันเผลอหลุดออกไปเราก็เริ่มต้นใหม่เผลอหลุดออกไปเราก็เริ่มต้นใหม่เผลอออกไปเมื่อไหร่เราก็เริ่มต้นใหม่เมื่อนั้นโดยไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจะดีหรือชั่วจะชอบจะ เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราไม่ให้ความหมายเขาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายเข้ามาในจิตในใจของเราแต่ถ้าจิตของเราเผลอหลุดออกไปคิดปรุงแต่งไปวิ่งวุ่นไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างก็เป็นเรื่องเป็นเลาหน่ายินดีบ้างหน้ายินร้ายบ้าง เราก็ไปให้ความหมายไม่ว่าทางหน้าไปทางในต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามทำไมจะต้องมาคิดตอนนี้ทำไมมันคิดชั่วคิดเร็วอย่างนั้นทำไมอย่างน้น อ, อย่างนี้นั่นแหละไปให้ความหมายเขาเขาก็เลยยิ่งมีกําลังขึ้นมาก็เลยเป็นความฟุงฟ้งซ่านขึ้นมาไอ้ความฟุงฟ้งซ่านเราเองก็ไม่ปรารถนาไม่ต้องการ ก็ยิ่งไปต่อต้านผักดันไอ้ความฟุ้งซ่านก็เลยเป็นความหดหดลำขาดขึ้นมาคล้องมากิตใจของเราใจของเราทั้งใจก็เลยเป็นใจที่วุ่นวายดิ้นรนทุรนทุรายแทนที่การภาวนาของเราจะมีความเย็นความเบาความสบายจากการภาวนากลับเป็นตรงกันข้ามพอมานั่งภาวนาเท่านั้ น, นจิตมีแต่ความฟุ้งซ่านหุดหิดลำคาญ ที่ภาษาพระท่านเรียกว่าอุทะจักกุกุจักความฟาุฟ้งสั้นหุดจิตลำคาญเข้ามาคล้ อ, องมามจิตทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะทั้งๆที่เมื่อเราไปยังไม่ได้ภาวนาเราก็ไม่เห็นต้องมาหมุดจิตลำคาญอย่างนี้แต่พอเรามาภาวนาเท่านั้นเนี่ยมีแต่ความหุดหจิตลำคาญมีแต่ความดิ้นรนทุรนทุรายเข้ามาภายในจิตในใจของเราก็เพราะเราวางจิตไวใ้ในทางที่ผิด มันไม่ได้วางจิตอยู่บนส้นทางแห่งการภาวนาแต่เราไปตั้งจิตไว้ในความอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไออยากไม่อยากอันนั้นแหละเป็นตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็เลยมาครอบงำจิตใจของเราเสียการภาวนาที่ถูกต้องนั้นเราต้องให้ความสําคัญอยู่ที่งานที่เรายกขึ้นมาทำ ภายในจิตในใจของเราเช่นว่าเรากําหนดอนาปานสติอยู่เรากําหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอยู่นี้เราจะให้ความสําคัญอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นสิ่งอื่นๆทุกสิ่งทุกประการจะเล็ดลอดเข้ามาสัมผัสภายในจิต ใ, ในใจของเรามากหรือน้อยดีหรือชั่วชอบหรือชังเราไปจะไม่ตั้งความใส่ใจความสนใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลย ปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติมันมีเกิดมันก็ต้องมีดับไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วก็ไม่ได ม, ม่ดับเพราะในความคิดมันก็เป็นธรรมดามันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเว้นแต่คนตายเท่านั้นแหละที่ไม่มีความคิดก็เมื่อเราเป็นคนเป็นคนมีชีวิตอยู่มันจะไม่ให้มีความคิดได้อย่างไรมันมีของมันนั่นแหละเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาของมันเป็นขันนึงถ้าเรียกว่าสังขารขัน ไอสังขารมันก็มีอยู่ด้วยกันทุกท่านทุกคนน่นแล้วเพียงแค่เราอย่าไปให้ความหมายมันอย่าไปชอบไปชังมันเมื่อเราไม่ไปตั้งความยินดียินรไลในสังขารนู่นความนึกคิด ป, ปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นไอความนึกคิด ป, ปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็าไม่เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็มีแต่ยุกยิบ ย, ยุบยิบโดยเกิดดับดับไปตามเรื่องตามราวของมัน จิตของเราก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโถด้อย่างแนบแนมนี่แหละการเบื้องต้นของการทำสมาธิให้พวกเรากำหนดลงไปอย่างนี้แล้ว เ, เมื่อเรามั่นใจลงไปในวิธีการทำของเราอย่างนี้แล้วให้เราฝากเป็นฝากตายลงไปกับการทำสมาธิอันนี้ แม้เราจะไปฟังครูบาใจาม้าไม่ไก่กององค์นั้นท่านว่าเวนั้นองค์นี้ท่านว่าอย่างนั้นองค์นั้นท่านว่าอย่างนู้นผลที่สุดเราก็เลยสับสนปนเปนไปยุ่งเยิ้งวุ่นวายว่าเอรา ว, วิธีไหนถูกจริงๆแล้วมันถูกทุกวิธีนั่นแหละเพียงแค่ว่าวิธีไหนมันถูกจริตนิสัยของเราเองเปรียบประดุจเหมือนยาอยู่ในตู้ตู้ยาเนี่ยยาในตู้มันดีทุกยี่ห้อทุกซองทุกเม็ดนั่นแหละ แต่ยาซองไหนเม็ดไหนมันถูกกับโรคของเร า, าเหรถ้าเราเรามาปวดหัวไอ้คนเขาบอกายาไถ่ท้องนั่นดียาแก้ท้องอืดท้องเฟิร์สนั่นดีเราไปจับตามเขามันไม่หายปวดหัวเราก็ว่ายานั้นไม่ไม่ดีมันไม่ถูกต้องยามันดีแต่เราเพียงแค่เราจับยาไม่ถูกกับโรคของเราเอาเราปวดหัวพาราซิต่มอดมีเราก็ไปจับเอามาสิ เพราะนั้นให้จับให้มันถูกจริตนิสัยของเราเองแต่ว่าวิธีการภาวนาด้วยการกำดลมให้ใจเข้าหหยใจออกเป็นวิธีที่เป็นกลางๆเข้าได้ทุกจริตนิสัยถ้าเราเปรียบเทียบยาเหมือนกับสเตอรอยแต่สเตอรอยไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่ามันผลข้างเคียง ม, มันเยอะ มันครอบจั ก, กรวาลแต่ลมให้ใจเข้าออกนี่มันครอบจั ก, กรวาลเลยเหมือนใช้ได้ทุกเจลิติสัยแต่ไม่มีผลข้างเคียงเลยเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดสําหรับนักภาวนาทั่วไปเพียงแค่เอาจริงเอาจังลงไปกับลมให้ใจเข้าออให้ใจออกนี้เท่านั้นเป็นเราก็จะเป็นอยู่กับลมให้ใจเข้าออกตายเราก็ตายอยู่กับลมให้ใจเข้าออกนี่แหละเราจะไม่วางมันเด็ดขาด ถ้าเราตั้งจิตแน่วแน่มั่นคงลงไปอย่างนี้แล้วกําหนดลงไปในลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติมีสติกํากับจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราจะมีความรู้สึกชัดเจนในลมหายใจเข้าออกเมื่อเรามั่นกําหนดอยู่อย่างนี้แล้วสติความระบัดระวังกํากับจิตก็จะค่อยๆแนบแน่นเข้ามาแนบแน่นเข้ามาจิตก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นมากขึ้น จนกรทั้งสติมันแนบแน่นแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตคือเป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวังเมื่อจิตมีปกติที่ระมัดระวังคือมันแนบสติแนบแน่นเป็นตัวสัมพัชัญญะคือรู้ตัวตลอดพอเรามากําหนดอนาปานสติมาเป็นอารมณ์ของจิตตานั้นจิตจะอยู่กับอนาปานสติได้อย่างต่อเนื่อง อยู่กับความสัมผัสของลมเข้าลมออกพูดโทพูดโทพูโทพูดโทพูดโถได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนเลยพอจิตอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนสิ่งที่เคยครอบงําจิตใจของเราที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตในใจของเราก็คืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายความหน้ายินดีบ้างหน่ายินไล่บ้างชอบบังชังบ้าง ต่างๆทั้งหลายเลานั้นก็จางออกไปจางออกไปจางออกไปจิตยิ่งละเอียดเข้าไปเท่าไหร่สิ่งทั้งหลายเลยที่เคยปะปนอยู่ภายในจิตในใจมันก็จางออกไปจางออกไปยิ่งจางออกไปเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเบิกบานยิ่งผ่องใสมากขึ้นเจต่เบิกบานผ่องใสเนี่ยเราสัมผัสถึงความสบายอกสบายใจซึ่งชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดมาเราดิ้นรนคุ้นขวายเธอเยื่ทยานปราธนาความสุข หามากอบโกยมาสัมผัสไอ้นู่นไอ้นี่แต่สัมผัสมาเท่าไหร่มีอะไรต่ออะไรขนาดไหนก็ไม่เคยมีความสบายอกสบายใจเหมือนกับเกิดขึ้นมาจากการภาวนานี่เลยเราเริ่มเริ่มเห็นผลจากการภาวนาแล้วพอเรามาสัมผัสด้วยการปฏิบัติด้วยตัวเราเองเป็นสันธิติโกผู้ปฏิบัติจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของเราเองพอเรามาสัมผัสด้วยตัวเราเองเราเห็นคุณค่าของการภาวนาอย่างนี้แล้ว มันเกิดฉันทะคือความพอใจขึ้นมาในการภาวนาพอมีฉันทะเป็นพื้นฐานภายในจิตในใจแล้วจากนั้นการภาวนาของเราเนะี่ยมันจะมีความหนักแน่นมั่นงคงคือมีความเพียรเราจะไม่ได้ให้ความหมายเลยว่าการภาวนาของเรานั้นไม่ว่าจะนั่งภาวนากันเป็นชโจโบงสอง่วโบ ง, ง, โบงหรือทั้งคืนเดินจงกรมกันครึ่งค่นวันหรือทั้งวันเป็นความยากเป็นความลําบาก หากมีแต่ความยินดีพอใจที่จะทำเราไม่ให้ความหมายเลยว่าการทำอย่างนั้นเป็นความยากเป็นความลำบากเพราะมันมีฉันทะเหมือนในคนที่เขามีความยินดีพอใจดูหนังดูละครไปฟ้อนลำขับกลมต่างๆทั้งหลายเขาไปดูหนังดูละครฟ้อนลำขับกล่มบทคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยไม่ได้ไปที่ไหนเลยอยู่แต่จุดนั้นอะอยู่แต่ที่เดียว จนสว่างคาตาแป๊บเดียวเขาไม่ได้ว่าเลยไม่ได้คำนึงถึงเลยไม่ได้คิดเลยนะว่าที่เขาไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เปลี่ยนอนยาบทเลยมีแต่ล่อลําขับกลอมดีศรีป่าสนุกสนานอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเนี่ยเป็นความยากความลาบากก็เพราะเขามีฝันชันทะความพอใจนั่นเองแต่ถ้าคนไม่มีความพอใจยินดีในการล้อลําขับกล่อม ดูหนังดูละคอรอย่างนั้นถูกบังคับไปเป็นนั่งดูทั้งวันทั้งคืนไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลยดูที่มันทุกข์ขนาดไหนง่วงจนตายมันจะแตกการภาวนาของเราก็เช่นกันพอมันสัมผัสผลขึ้นมาเท่านั้นมันมีชันทะเกิดชันทะขึ้นมาความพอใจเป็นพื้นฐานที่มาจากนั้นการภาวนาของเราเองก็มีความหนักเล่นมั่นคงการภาวนาของเราก็ก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้น จิตนับวันจะละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็มีความเบาความสบายความเบิอปานความผ่องใสเข้ามาหลอเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเรามากขึ้นมากขึ้นจนสักวันหนึ่งจิตที่มาความละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วมันก็รวมตัวอย่างเข้าไปสู่ความรวมตัวจิตที่มันรวมตัวเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวเด น, น มันปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการที่เคยข้องแวะภายในจิตในใจหลุดออกไปจากจิตจากใจหมดสิน้นแม้กระทั่งร่างกายก็ไม่มีอยู่ในจิตเพราะจิตไม่ออกมาสัมผัสไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับร่างกายนเลยจิตจะอยู่เฉพาะจิตที่เราเรีย ก, กันว่าผู้รู้น่จะเด่นของมันอยู่แต่ก็ในขณะนั้นจะไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นแหละมันมีแต่รู้เด่นของมันอยู่อย่างนั้น นิ่งสงบของมันอยู่อย่างนั้นจนอิ่มพอของจิตในความสงบแล้วจิตถอนออกมาจากความ ร, รวมตัวนั้นมาสัมผัสทางร่างกายพอมาสัมผัสทางร่างกายมันก็รับทราบถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรับทราบถึงทุกสิ่งทุกประการได้ แต่ตอนที่จิตมันสงบรวมตัวมันไม่ออกมาเกี่ยวข้องข้องแวะกับร่างกายเลยเพราะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเพราะจิตไม่ได้ออกมาข้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลยมีก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเพราะนั้นจะมานั่งจิตรวมตัวนั่งอยู่เป็นกี่วันกี่วันก็ได้เหมืนเวทนาที่มันมีอยู่ภายในร่างกายมัน มากรุนแรงขนาดไหนแต่ก็ไม่มีอยู่ในจิตพอจิตไม่ได้ออกมาคล้องแวะเลยนี่แหละจิตสงบจะเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งจิตถอนออกมาจากความรวมตัวเข้ามาสัมผัสกับร่างกายกับกายอันนี้มันก็รับทราบในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่การรับทราบอันนี้ จะแตกต่างจากการรับทราบแต่ก่อนนี้มากมายไก่กองจนยิ่งกว่าฟ้ากับดินเพราะแต่ก่อนนี้เนะี่ยจิตที่ยังไม่เคยมีความรวมตัวไม่เคยมไม่เคยมีความสงบเลยนะั้นจิตมารับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้สามารถมาครอบงำจิตให้วันไวเอ็นเอียไปกับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะจิตไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นเอง แต่หลังจากจิตที่ได้รับการอบรมให้มีความสงบรวมตัวแล้วเจตี่ถอนออกมาจากฟารามรวมตัวนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิเจตีเป็นมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วแม้นตาหูจมูกดิ้งกายของเราจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส มาเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่สัมผัสรับทราบได้ด้วยจิตแต่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถบังคอบงำจิตใจดวงนี้อีกต่อไปเลยเพราะจิตดวงนี้มีแต่คว า, ามตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงจะไม่เอียงเอียงไปเพราะรักเพราะชังไม่เอียงเอียงไปเพราะคว า, ามยินดียินร้ายอีกต่อไป <c oughs> เมื่อจิตไม่เอียงเอียงลงไปกับสิ่งที่มาสัมผัส ทั้งตาหูจมูกดิ้งกายจิตเป็นผู้สัมผัสรับทรบาบได้จิตก็มีแต่ความตั้งมั่นเป็นปกติจิตก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มาสัมผัสนั่นแหละแต่เกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอกคอบแตกต่างจากแต่ก่อนนี้มากไม่ไก่กองแต่ก่อนนี้จิตออกไปเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความแยบคายรอกคอ บ, อบแต่เกี่ยวข้องด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวข้องด้วยความยินดียินไายเกี่ยวข้องด้วยความรักความชังเพราะนั้นก็เกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนก็ล้วนแต่เป็นตัวสมบทรไทยเหตุให้เกิดทุกท้งนั้นแต่บัดนี้จิตที่เป็นสมาบีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วออกไปเกี่ยวข้องกับสินทั้งหลายเหล่านั้นด้วยจิตที่เป็นปกติมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคง จะไม่ออกไปเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องนั้นจะไม่เป็นตัวสบุไทยอีกต่อไปแต่ขับเป็นฝั่งตรงข้ามคือเป็นมัรกมัรกก็คือตั ว, ต ว, ตว เ, ปเป็นเครื่องมือการชําระตัวสบุไทยเพราะฉะนั้นมัรกนี้แหละดําเนินไปทางมัรกด้วยความแยบคายลอกคอบไอ้ความแยบคายลอกคอบนี้เกิดขึ้นมาจากการพิจารณา ไอการพิจารณาที่แยกคายลอกครอบนี่แหละคือตัวปัญญาเมื่อมีปัญญาเขาไปคิดพิจารณาแยกแยะขี้คายมันก็มีความชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นสิ่งใดที่เคยปิดบังความจริงไว้ก็ถูกปัญญาตัวนี้เบิกออกเบิกออกความจริงเริ่มเปิดเผยออกมาความจริงอะไรเล่าความจริงก็ขันทั้งหลายที่เรามาเกี่ยวข้องข้อแวะมา นับตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ก่อนนี้เขาเราเข้ามาจิต ด, ดวงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หมดว่าเป็นกูว่าเป็นเราเพราะว่าเป็นเราเองมันก็มีของเราพอมีตัวเรามีของเรามันก็ตั้งความปรารถนาต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ หรือต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ต่างๆนานาแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ได้รับทราบกั บ, กบเราด้วยกับจิตตัวนี้ด้วยว่าตั้งความปรารถนาอย่างไร ห, หรือไม่ตั้งหรือไม่ปรารถนาอย่างไรแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นคือเขาปฏิเสธความต้องการหรือความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของจิตดวงนี้อย่างสิ้เนเชิง แต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละที่ท่านเรียกว่าอนัตตาคือมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เป็นไปดังที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนาแต่มันเป็นไปอย่างมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นพอมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาดังที่เราต้องการไ อ, อเราเนี่ยเราเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเรานั้นเป็นทุกข์เรานั่ยเราเป็นทุกข์ก็คือจิตดวงนี้แหละ แซ่สายยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ยึดติดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกแต่ทุกขรอบงั่มจะไปเกิดในพบไหนชาติไหนก็าตามเกิดเป็นเทวดาอินพมยมยักษ์ที่ไหนก็าตามตราบใดก็าตามที่ยังมีการเกิดอยู่มันก็มีทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะตัวเกิดนี่เป็นบ่เกิด ของความแก่ความเจ็บความตายที่พระพุทธเจ้าบอกชาติปีตุกข่าชราปีตุกข่ามรณะปีทุกขังชาติความเกิดก็เป็นท <men> <m useum> ุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มาแล้วณความตายก็เป็นทุกข์เพราะนั่นจะไปเป็นเทวดาอินพรมยมยักษ์มันก็มีเกิดก็ไม่มีเกิดแล้วมันจะไม่มีทุกข์ได้อย่างไรเพราะนั้นความพ้นจากกองทุกข์มันต้องพ้นจากการเกิด ก็คือพันิพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทำลายเชื้อของความเกิดก็คืออวิชชาคือความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงที่มาครอบงำจิตใจของเราให้ยึดมัน่นถือมัน่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสไปหมด เพราะนันการที่มาขี่คายทำลายเอาวิชาคือความไม่รู้นี้เราก็ต้องใช้ความ ร, รู้คือวิชาความ ร, รู้แจ้งขึ้นมาตอนนี้ความ ร, รู้แจ้งมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความ ร, รู้แจ้งจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะการขี่คายการคิดการพิจารณาการแยกแยะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้น การทำสมาธิก็เป็นการพักจิตให้จิตนี้มีกำลังให้จิตนี้มีความตั้งมั่นพร้อมที่จะออกไปทำงานงานของจิตก็คือการพิจารณาแต่ถ้าหากเรามีแต่การพักจิตไม่ออกไปทำงานเลยมันจะให้เกิดเป็นผลขึ้นมาได้อย่างไร เพราะฉะนั้นคําว่าสมาธิท่านยิ่ในมักมีองค์8ปดประการท่านยึ่งกล่าวไว้ว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบเมื่อมีสมาธิที่ชอบมันก็ต้องมีสมาธิที่ไม่ชอบคือมิจฉาสมาธิไอ้มิจฉาสมาธิก็คือการติดยินดีพอใจอยู่แต่ในสมาธิไม่ขยับออกไป ในการขี่ขายในการพิจรารณาทางด้านปัญญาเลยมันก็ยึดติดอยู่แต่สมาธิแต่สมาธินั้นก็ยังเป็นอนิจจงคือมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าหากมันสมาธิเป็นของดีอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวว่าสัมมาสมาธิแต่เมื่อกล่าวว่าสัมมาสมาธิมันก็ต้องมีมิจฉาสมาธิ เพราะนั่นนับปฏิบัติต้องให้เข้าใจไว้ด้วยว่าการทำสมาธิของพวกเรานั้นเราทำเพื่อรวมพลังเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเมื่อจิตมีกำลังพอเพียงแล้วคือมีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงแล้วเราก็ควรที่จะออกไปทำงาน งานของจิตก็คือการขี่คายการคิดการพิจารณาที่เราเรียกว่าปัญญานั่นเองเพราะนั้นในขณะที่เราออกไปขี่คายพิจารณาแยกแยะด้วยจิตที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานนั้นการพิจารณาของเรานั้นจะมีความแยกคลายลอกครอบอย่างยิ่งความจริงเป็นอย่างไรมันจะเปิดเผยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ย, ยิ่งเปิดเผยออกมาจิตมันก็วางลงวางลงวางล ง, ลง แต่ถ้าไม่ขี้คายพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันเคยโง่อย่างไรมันก็โง่อยู่อย่างนั้นความจริงเป็นอย่างไรมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ตามสภาพความไม่จริงมันก็ยังยึดมั่นถือมั่นมาไปอย่างนั้นเพราะมันยึดมากี่พหกี่ชาติแล้วเปียบประดุดเหมือนคนบ้าคนบ้าที่มันแบกถามหอบคิ้วสิ่งของต่างๆเพราะลมพัลังเดินตากแดดตากฝน มันไม่ได้คํานึงถึงการเดินตาแด่ตาฝนว่าเป็นความยากเป็นความลบาบากเป็นความทุกข์เลยแต่มันมีแต่ความพอใจที่จะเดินตาแด่ตาฝนเพราะมันเข้าใจว่าสิ่งที่มันแบกหามน่สิ่งที่มันหอบผิวเป็นสิ่งที่มีสาระมันยินดีพอใจแบกหามหอบผิวพะลุงพลังเลยมา มันจึงไม่คํานึงถึงว่าการแบกหามบอบผิวมาตาเดะตากฝนนั้นเป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลาบากมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะฟาร์มบ้าน้ําเปิดปิดบางฟาร์มจริงไว้ปิดบางฟาร์มจริงในสิ่งที่มันหอบผิวแบกหามไม่ให้เห็นตามสภาพฟาร์มจริงว่ามันขยะมันสิ่งที่ไร้สาระมันเป็นปฏิกูลมันเป็นของหน้าสีอิสเอียรน่าขยะขยง แต่มันกลับไปเสกสรรปั้นแตงว่าสิ่งที่มันหอบผิ้วแบกหามนั้นเป็นสิ่งที่มีสาระน่ายินดีน่าพอใจมันยิ่งยินดีพอใจแบกหามหอบผิ้วมันตลอดมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ความบ้าของมันเปิดออกความบ้าของมันจางออกไปจางออกไปหลุดออกไปมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่มันแบกหามหอบผิ้วนั้นเป็นสิ่งที่ไร้สาระเป็นขยะเป็นของปฏิกูล พอมันเห็นอย่างนั้นแล้วไม่ต้องไปใช้ว่ามันทิ้งให้มันวางหรอกมันวางเองมันวางลงมันทิ้งลงวางลงทิ้งลงพอมันวางลงยิ่งวางเท่าไหร่มันก็ยิ่งเบาขึ้นเบาขึ้นจนกระทั่งมันวางหมดสิ้นทิ้งหมดสิ้นมันเบาเป็นอิสระขึ้นมามันจะเห็นชัดเจนเลยว่าการแบกหามเดินตากแดดตากฝนนั้นเป็นความทุกข์เป็นความยากลาบากหลือเกิ่ ต่อไปมันจะไม่ไปเดินตากแดดตากฝนมันดังแต่เก่าก่อนอีกย้อนเข้ามาถึงพวกเราพวกเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนบ้านนั้นเลยแต่คนบ้านนั้นแบกหามหอบผิวภายนอกพวกเราพากันแบกหามหอบผิวภายในด้วยการเห็นว่าอุปทานฝรามยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละสิ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีสาระ เป็นมีเป็นแก่นสารสารละเราก็ยินดีพอใจแบกหามหอบคิ้วเราจึงไม่คํานึงถึงถึงการเวียนไหวไตายเกิดนั้งเป็นความทุกเป็นความยากเป็นความลำบากเหมือนกับคนบ้ามเดินตากแดดตากฝนแล้วก็ตากด้วยภพชาติต่างๆเวียนไหวไตายเกิดมาเรื่อยเรื่อยไปด้วยอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นโผกให้เราอยู่ในการเวียนไหวไตเกิดมาไม่จบไม่สิ้นกี่ภพกี่ชาติมา พอปัญญาพอจากการปฏิบัติขึ้นมามีปัญญาเพราะการขี้คายพิจารณาเยกแยะของเราเห็นชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้น้ำตังกายอันนี้ที่พวกเรามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ศีษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีษะมันเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟมารวมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัย จิดตดวงนี้มาอาศัยเขาอยู่อย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีจากนั้นก็จากเขาไปจากกายนี้ไปไอ้กายนี้มันก็คืนสู่สภาพมาเดิมเพ้ามาันคือดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายมันไม่ใช่คนหมูหมากาไกา่ แต่ที่ว่ามันเป็นคนเป็นหมูหมากาไก่เป็นหญิงเป็นชายเป็นนางเขียวนางแดงนั่นมันเป็นเพียงแค่สมมุติเราสมมุติเพื่อสื่อความหมายกันเท่านั้นเองแต่จิตนี่มันเป็นหลงสมมุติมันไปยึดเอาสมมุติมันก็เลยเสกสรรปั้นแต่งต้องการให้เป็นอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้หรือไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นหอยที่สุด ไอ้ความต้องการไม่ต้องการทั้งหลายเราทั้นก็เลยมาครอบงําจิตใจของพวกเราให้จมอยู่ในการเวียนว่ายตา ย, ตายเกิดจมอยู่ในอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเหมือนคนบ้า น, นี่ยมันแบกหามมาตลอดจะไปวันไหนมันก็แบกหามจะเดินถนนเส้นไหนมันก็แบกหามไอเราจะอยู่ในพบไหนชาติไหนมันก็แบกหามยึดติดจะไปเกิดอยู่บนเทวดาอินพรมยมยั้มันก็ยึดติด แบกขามก็เป็นอยู่ตลอดมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่พระองค์ได้ขี่คายเอาอุชํารละเอาอุปทานความยึดมันม่นหรือมั่นด้วยอำนาจของอวิชาพังทลายออกไปจากจิตจักใจของพระองค์เหมือนคนบ้าชํารละความบ้าออกไปด้วยก็เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่แบกขาม เป็นสิ่งที่ไร้สาระมันวางลงปองลงหมดก็เห็นชัดเจนเลยว่าไอ้กาเดินตากแดดตากฝนนัน้นมันเป็นทุกอย่างยิ่งจากนั้นคนบ้ามันจะไม่ไปเดินตากแดดตากฝนอีกต่อไปจิตพระพุทธเจ้าก็เช่นกันพระ อ, องค์ได้ปัญญาเขาไปขี้คายแยกแยะพิจารณาจนเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มันไม่เป็นอัตราตัวตนมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยเขาอยู่ช่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีสิ่งใดก็ตามที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ผ่านออกไปไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นจิต ด, ดวงนีเนเน้เป็นเพียงผู้สัมผัสรับทราบเท่านั้นเอง จิตไม่ได้เป็นอันนั้นจิตไม่ได้เป็นอันนี้จิตเป็นเพียงผู้รับทราบจากสัมผัสเท่านั้นก็เรามาพิจารณาดูว่าชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ทุกที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าทุกภายนอกหรือทุกภายใ น, ท, ยนทุกภายนอกก็คือทุกทางร่างกายทุกภายในก็คือทุกทางใจผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเราเรามากน้อยขนาดไหน มีทุกตัวไหนที่มันอยู่กับเรามาถึงทุกวันนี้ไหมไม่เลยเจิตเป็นเพียงทางผ่านของเขาทอนนั้นเขาเขาผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปจิตเป็นเพียงผู้รับทราบแต่ในขณะที่มันผ่านเข้ามากระทบสัมผัสจิตจิตไปรับทราบจิตไปยึดเอา ท, าทันทีพอไปยึดเอาก็ทําไมต้องเป็นกูทําไมเป็นกูต้องอกจะแตกตายบางคนทนไม่ได้ไปทําอัตวิวัตเขาต้อก็มี ลองทนดูสักคู่หนึงเชิญมันไปอยู่กับเรามันก็ไม่อยู่เดี๋ยวมันก็จากไปไอ้ตัวใหม่วัตจรเข้ามามันก็ไปจากออกไปดูด้วยปัญญาเราดูด้วยปัญญาเราจะไปเห็นสภาพความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นหากมันวางเอง โดยที่เราไม่ต้องไปใช้ใ้เป็นวางหรือไปเจี้เป็นวางการปงวางทางจิตนี่แหละจะเป็นความประเสรฐที่สุดเพราะนั้นการขนขวายเสวงหาสุขเราไม่ต้องไปเสวงหาที่ไหนเลยเพียงแค่ชำระตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หลุดออกไปเถอะเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาหรือในหลักธรรมคำสอนของพู้ทธเจ้านั้น พระ อ, องค์ไม่ได้สอนให้พวกเราวิ่งแสวงหาความสุขเลยในธรรมะทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นทำการถึงที่สุดไม่มีสอนให้พวกเราไปหาความสุขมีแต่สอนให้พวกเราชำระตัวสบุไทยเหตุให้เกิดทุกข์ดับออกไปเท่านั้นพอตัวสบุทยดับออกไปสุข เราไม่ต้องไปหาเลยมันปรากฏเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเหมือน เ, นน เ, อนเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยมันสกปรกพวกเราก็มัวแต่ไปวิ่งหาแสวงหาคร์มสะอาดมาใส่ลงไปใส่ลงไปว่าสีนั้นไม่มีความสะอาดน้ําหอบนั้นไม่มีความสะอาดผงซักฟอกนั้นมีความสะอาดไอ้นู่นอันนี้มีความสะอาดก็หามาใส่ลงไปในเสื้อผ้าใส่ลงไปโปะลงไปโปะลงไปนับวันโปะลงไป นับวันเสื้อผ้าของเราลุงลังขึ้นลุงลังขึ้นแต่ถ้าพวกเราลองเอาวิธีการของพระพุทธเจ้าดูไม่ต้องไปแสวงหาความสะอาดที่ไหนมาใส่เลยเพียงแค่พยายามชําระความสกรปรกออกไปเท่านั้นชําระความสกรปรกออกไปชําระออกไปออกไปยิ่งชําระมันหลุดออกไปมากขึ้นเท่าไหร่ความสะอาดเริ่มปรากกดขึ้นเริ่มปรากกดขึ้น จนกระทั้งชําระความสปกปรกบทสิ้นออกไปจากเสื้อผ้าความเป็นธรรมชาติอันหนึง่งคือไม่มีความสปกปรกทั้งที่ปากฏขึ้นมาเต็มเสื้อของเราเสื้อของเราเป็นธรรมชาติเลยจิตตัวนี้ก็เช่นกันไม่ต้องไปข น, นขวายเสว่งหาความสุขที่ไหนเลยชําระตัวสมุทรไทยเหตุให้เกิดทุกข์ดับออกไปชําระออกไปชําระด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญา การอบรมจิตอบรมใจของเราพอปัญญามันเกิดขึ้นมาจากการขี่คายพิจารณาแยกแยะมันจะชําระตัวสมุทัยออกไปเองก็เพราะอวิชานี่นแหละเป็นตัวสมุทัยที่แท้จริงปัญญาก็คือความรู้แจ้งเมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้นอวิชชาคือความไม่รู้มันจะอยู่ได้อย่างไร เมือกับสถานที่นี้มันมืดเปิดไฟสว่างขึ้นมาแล้วความมืดมันจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อปฏิบัติคือการอบรมจิตอบรมใจที่มีองค์หลวงปู่ ม, มั่นผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ลื้อฟื้นในหลักธรรมของพระเจ้าขึ้นมาให้พวกเราได้น้อมนํามาประพฤปฏิบัติ สืบสืบต่อมานับตั้งแต่ครูบาอาจารย์มากมายไก่กองจนกระทั่งสืบต่อมาถึงพวกเราในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้โอกาสปี 2,563 นี้เป็นโอกาสที่องค์การยูเนสโก้ตั้งประกาศยกย่ององค์ลุปู่มั่นขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกเราก็น้อมเอาปฏิปทาขององค์ลุปู่มั่นจากการสัมผัสจากครูบาาจารย์ในวัดป่าต่างๆนานามา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นการบูชาพระผู้เอองค์หลวงปู่มั่นผู้เป็นบูรพา บ, บูรพาจารย์ของเราด้วยและพร้อมกับการอบรมจิตอบรมใจของเราและด้วยดีแล้วจิตที่อบรมดีแล้วนี่แหละที่จะนําสุขมาสู่เราอย่างแท้จริงดังภาษิตที่ยกขึ้นมากล่าวในเบื้องต้นว่าจิตตังดันตังสุข่าวหัง่งจิตที่อบรมดีแล้วนําสุขมาสู่ตน เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะสัมผัสกับความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะการน้อมนําเอาหลักธรรมทั้งหลายดังที่แสดงมานี้มาประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจแล้วท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรจะเวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาลศนี้สาธุสาธุ สาธุอนุโมทามีคร <c oughs> ับผม <c oughs> โอกาสนี้นะครับ <c oughs> การเรียนเชิญท่านดรนัทนนท์และคุณสุธาวันตราชูนะครับบู <c oughs> ชาธรรมกันเทศสาธุพร้อมกันครับสาธุในบุญในกุศล น, นะครับสาธุอนุโมทามี หลวงปู่ทองอินท่านบนว่าพวกเราเวลาสาธุภงบๆเ ง, งี้ยงเง้ยงจริงๆแล้วสาธุนี่เป็นคํามงคลอย่างยิ่งมีเฉพาะในพุทธศาสนาเราเท่านั้นในาศาสนาอื่นลทัทธิอื่นไม่มีคําว่าสาธุเลยเพราะคําว่าสาธุมันมีที่ไปที่มาไอ้ที่ไปที่มามาอย่างไรไปอย่างไรในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่ง สามีภรรยา น, นั้นอยู่ด้วยกันมานานส่วนสามีต่อมาก็เกิดไปได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปรารถนาอยากจะบวชก็ไปขออนุญาตจากภรรยาขออนุญาตจากภรรยาจะไปบวชเป็นพิสุในสำนักของพระพุทธเจ้าภรรยาก็อนุญาตให้สามีนั้นไปบวชสามีก็ไปบวช ไปบวชก็ประพฤติปฏิบัติในในหมู่คณะสงฆ์จนกระทั่งเป็นพระมหาเถระไปไอส่วนพรรญานั้นก็ประกอบกิจการงานอาชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆต่อมาพัรญานั้นก็จับพัดจับูได้เข้าไปเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าปฐมทีิโกศลทำงานอยู่ในท้องพระโรง นางก็ทําด้วยความขยันหมั่นเพียรทําด้วยความเรียบร้อยตามนิสัยของนางเองข้าราชบริพารกลุ่มนั้นก็มีความขยันหมั่นเพียรด้วยแต่ทำงานได้เรียบร้อยอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าปฏิติโกศนต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าปฏิติโกศลเนี่ยเห็นนางข้าราชบริพารทั้งหลายเหล่านี้ทํางานด้วยความใส่ใจด้วยความเรียบร้อยขยันขันแข็ง พระเจ้าปิติโกศ น, น์ก็เกิดเมตตาปราถนาจะพระราชทานรางวัลให้แก่นางข้าราชบริพารต่างๆทั้งหลายเหล่านี้สิ่งที่พระเจ้าปิติโกศ น, น์พระราชทานเป็นรางวัลแก่พวกข้าราชบริพารทั้งหลายเหล่านี้ก็คือดอกดอกโกมุสวรรต์เขาเป็นที่ล่ำลืออย่างมากเลยว่าดอกโกมุสวรัต์เนี่ยหลายๆปีจะออกดอกครั้งหนึ่ง แต่ดอกโกมุสวรรค์เนี่ยมีกลิ่นที่หอมหอมชนิดที่ประทับจิตประทับใจมากเลยหอมเหนบชนิดเบิกบานผ่องใสใครได้กลิ่นดอกโกมุสวรรค์นี้จะมีความรู้สึกว่าอิม่ม เ, เบิก บ, บานผ่องใสยเย็นสบายเนี่ยกลิ่นของดอกโกมุสวรรณาแต่นานๆหลายปีจะออกดอกครั้งพระเจ้าประเสิธิโกศลก็พระราชทานดอกไม้อันนี้ แกพวกนางข้ารายบริพารต่างๆทั้งหลายเหล่านะี้ไอ้พวกข้ารายบริพารต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ได้รับรางวัล น, นี้ก็ยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสเบิกบานด้วยความปื้มปิติที่ได้รางวัลที่ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าปฏิ โ, โกศลประทานรางวัลให้แต่มีนางราข้าราย บ, บริพารผู้ที่มีสามีไปบวชเป็นพระมหาเถรนี้พอได้รับรางวัล น, นี้นางก็หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน ด้ความเื่มปิติแล้วก็กลับมาร้องห่มร้องไห้จากร้องไห้แล้วก็ไปยิ้มแย้มหัวเราะยินดีพอใจเพื่มพิติแล้วก็กลับมาร้องไห้อยู่อย่างนั้นเป็นที่แปลกใจของทุกคนที่ได้สัมผัสได้พบเห็นในขณะนั้นจนพระเจ้าไปถิลโกศลเองก็แปลกใจว่าทําไมคนอื่นได้รับพระราชทานรางวานนัลมีแต่เขายิ้มแย้มแจ่มใสเบอร์ปานดีอกดีใจแต่นานนี่ ได้รับไปแล้วยิ้มแย้ ม, ยมเบิบบานดีโอดีใจแล้วก็กลับมาร้องไห้ร้องไห้แล้วก็กวกไปยิ้มแย้มเบิบบานดีโอดีใจแล้วก็กลับมาร้องไห้ด้วยความสงสัยพระเจ้าปผ่ปปนินที่โกรธส่ก็เลยเรียกมาฐานถามว่านางดูดูก่อนานางทําไมเราเราพระราชเราประธานรางวัลให้แก่เธอแล้วซึ่งคนอื่นเขาได้ได้รับการแบบพระราชทานจากเราแล้วมีแต่เขายินดีพอใจยิ้มแย้มแจ่มใส แต่นางเพราะเหตุใดเล่านางไ ด, ได้ได้รับรางวัลไปแล้วเบอรบานยินดีพอใจแล้วกลับับมาลอ้ลอห่มร้องไห้เพราะเหตุใดนางก็เลยทูลต่อพระเจ้าปฏิโกศว่าพระเจ้าข้าที่บ่อมชั้นยิ้มแย้มเบอรบนันยินดีพอใจก็เพราะได้รับเมตตาจากพระองค์ประทานรางวัลให้แก่บ่มชั้น หม่อมฉันจึงมีความยินดีพอใจยิ้มแย้มเแบบิกบานปลองไหลแต่ที่หม่อมฉันร้องกลับมาร้องไห้ก็เพราะหม่อมฉันแล้วลึกถึงสามีคิดถึงสามีของหม่อมฉันที่ไปบวชเป็นพระมหาเถระเพราะกลิ่นดอกโกมุสสวรรค์นี้ไปกลิ่นเดียวกับกลิ่นปากของสามีหม่อมฉันพระเจ้าปฏิทินโกศลก็ฟังแล้วก็แปลกใจสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรกลิ่นปากคนนี่ จะมีกลิ่นอันหอมประดุจดังโกมุสวรรค์พระเจ้าปผ่นินโกสวรก็อยากจะพิสูจน์ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพัฒหารในพระราชวังห0 0รลูกทั้งพระมหาเถรละอดีตสามีของหญิงนั้นมาด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าตลอดจงสงสาวกทั้งหลายฉันพัฒหารเสร็จแล้วก็กลับไปสู่สำนัก พระเจ้าปิติโกศนก็นิมนต์รนนพระมหาเทระอดีตสามีของหญิงนั้นไว้อยู่ก่อนพอพระผูะ้ดิเจ้าเสด็จกลับวนแล้วพระเจ้าปิติโกศนก็นิมนต์รรนนพระมหาเทระนั้นน่ยขึ้นแสดงธรรมพอพระมหาเทระขึ้นสู่ธรร ม, มาทแสดงธรรมออกไปเท่านั้นน่ยกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วท้องพระโรงเป็นที่อัศจรรย์ของผู้คนในท้องพระโรงทั่วไป ว่าทําไมป่าของพระมหาเถระนี่ยังมีกลิ่นหอมไปดูดดังดอกโกมุตสวรรค์นี้ได้จนพระเจ้าปิตินที่โกศลไม่สามารถจะกลับเก็บเอาความสงสัยนี้ได้ก็เลยเสด็จไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าทําไมพระมหาเถระผู้นั้นจึงมีกลิ่นปากอันหอมไปดุดดังดอกโกมุตสวรรค์เล่าพระพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าบอกอ๋อมหาบาพิษ พระมหาเถระนั่นแหละแต่พบชาติก่อนนั้นท่านเกิดมาในพบไหนชาติไหนก็ตามน่ท่านไปได้ได้ยินได้ฟังพระมหาเถระที่ไหนแสดงอัดแสดงธรรมหรือไปเห็นพบเห็นใครทากุศลงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลท่านก็มักเอ่ยปากออกมาว่าสาธุสาธุสาธุอยู่ตลอดด้วยอนุภาพหรืออนิสงส์ที่ท่านได้ เปล่งวาจาออกมาแต่คําว่าสาทุสาธุมาตลอดนั้นก็เลยมาพบเป็นอ น, นิสงส์อนุภาพเกิดมาพบนี้ชาตินี้ท่านก็เลยมีปากอัญหอมไปอยูดด่ดอกกลมมุสวรัตน์นั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าสาธุนี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าใครมันเป็นบุคคลผู้มันกล่าวเปล่งวาจาออกมาแต่คําว่าสาทุสาทุสา ธ, สาธุในการได้ยินได้ฟังธรรมะหรือในการพบเห็นในการคุณทำคุณงามความดีบุญกุศลแล้ว เชื่อถต่ว่าพบชาติต่อไปเราอุบัติเกิดขึ้นมาเอกจะมีปากที่มีกลิ่นนั้นหอมปุดดังกุดอกกุมมุสวรรค์อย่างแน่นอนอ้าวสาธุแม่สาธุสาธุสาธุอนุโมทามีอ่าแล้วผ<า>แล้วพอ่อนอย่าต้องโอธนาให้ผ่อนยะถ า, าวาริวาห้าปุราปาริปุเรนทิสาขลัง เอวเมวอิโตทิมนางเปตานางอุปกะปะตีอิชิตังปฏิตังตุมหังเขยปเมวะสมิฉะตุสเพปูเรนตุสรังกปานจันโทปนนารโซยะธามณิโชติระโสยะานสัพพีติโยบิวัชันตุสัพโโลควินั ส, สตุมาเตวัฏวันตราโยสุขีที่คายุโกภวะอะพิวาธนาซื้อริสตนิจังวิทาปะจา ย, ยุโน จตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนยสุขังผ้าลางภาวะตุสาปมังกรังราคันตุสาะเทวตาสัพพุทธานุภาเวตาสัพเพธรรมานุภาเวตาสัพสังฆานุภาเวตาสทาโสธีมผาวันตุเตสาทุ สาธุสาธุอะนุโมทามิ